ยินดีต้อนรับสู่ช่วงของการคุยธรรมธรรมกับท่านผู้ฟังขอประภาพไหว้บุญนะพี่พุญโญจากวัดป่าหนองไสวอำเภอนองหารจังหวัดอุบลราชธานีเวลาที่เราทำสมาธิเนี่ยเราต้องทำด้วยสมาธิทิฏฐิท่านผู้ มิจฉาสมาธิถ้าทำสมาธิด้วยสัมมาทิฏฐิสมาธินั้นก็จะความรู้ตรงนี้คือสัมมาทิฏฐิเดี๋ยวฟังอีกครั้งนึงนะ คือสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิจริงๆก็คือความรู้นั่นเองนะความรู้อะไรถูก ไม่ได้เป็นผู้ที่ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองเนี่ยเราก็ต้องหาก่อนนะในการที่จะรู้อะไร นะเราเรียนจากความรู้ในตัวท่านไม่อยู่แล้วทํายังไงก็เอาสิ่งที่เอ่อบูชานั้นสอนเอาไว้เนี่ยมารู้มาเรียนนั่นเองสิ่งนั่นน่ะที่อยู่ในหนังสือเนี่ยนะเป็นความ นะบางทีครูบาอาจารย์แต่งหนังสือขึ้นมาอันไหนก็เป็นความรู้ของครูบาอาจารย์ในใน <Yeah. S 1> สัญญาสัญญาสัญญาด้วยเจ้าสอนสอนสอนเนี่ยสมาธิขั้น 1 2ส4 อะไรก็ตามนี่อันเนี้ยเราจําได้โอ้ชั้น 1 มันเป็นอย่างงี้นะไม่มีวิตกวิชาไม่มีๆมันไม่เหมือน ที่คุณจําได้เนี่ยคือคุณจําความรู้ของคนอื่นจําความรู้พุทธเจ้ามาจําความรู้ นะทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้ได้ความรู้ตรงนี้มานั่นแหละคือประเด็นที่ว่าเราจะทําความเอ่อจําได้นะความจํา ก่อนการตรัสรู้เนี่ยได้นั่งสมาธินะอยู่ที่ อ่ะมันไม่ใช่ว่ามันจะดับได้เลยเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าเหตุของยังไม่หมดอ้าวการตายใหม่จะมีมาอีกเพราะฉะนั้น นั่นมันก็ไปเกิดที่อื่นอยู่ดีแล้วเราว่าเหตุของการเกิด นั้นเหตุอะไรล่ะที่ทําให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งกลายเป็นภพขึ้นมานั่นคืออุปาทานความยึดถือน่ะอุปาทานความยึดถือมันอยู่ในใจเราเราต้องเอาจะไปทําให้อุปาทานมันไม่มีโดยการตีใจทุบใจใจมันตีไม่ได้ทุบไม่ได้ทําไงมันก็กลับไปที่ฆ่าตัวตายเอ้า ตอนนี้ยังเป็นบริษัทอยู่นั้นก็พบว่ามีไอ้เจ้านี้แหละ คนหลายคนมากับพบว่ามันมีความรู้สึกแล้วมีความรู้สึกเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีฐานะจะดับ มีความรู้สึกตรงนั้นมันยิ่งเจ็บสิยิ่งมีความรู้สึกมากนะแล้วก็ ถ้านึกบริษัทก็มาคิดว่าเอ๊ะธาตุ 3 มันเกิดจากอะไรเพราะมันเกิดจากช่องทางนั่นเองถ้ามันมีตามีหูมีใจ ทั้งนั้นเราควักออกเชิดออกก็กลับไปปัญหาเดิมนะว่ามันมันไม่สามารถแก้ได้และมันก็เป็นการลักษณะเข้าตัวตาย แล้วมันจึงมีระบบของเจ้าสฬายตนะมีระบบของอายตนะตาหูจมูกลิ้น นะวิญญาณคือการรับรู้วิญญาณที่ที่นี้เนี่ยเพราะว่าในภาษาที่พระเจ้าใช้เนี่ยวิญญาณที่พระ spirit spirit ดวงวิญญาณ นะ cognition นะคือหมายความว่าการเข้าไปรับรู้ ก็เพราะว่ามันมีการประงค์แต่งที่ของเราเนี่ยมีการประงค์แต่งท่านฟังปรุงแต่งทางกายปรุงแต่งเพราะมีการปรุงแต่งนั่นเองอ้าวทําไมเราถึงได้ มันไม่จบไม่สิ้นวนไปอย่างเงี้ยวนไปอย่างเงี้ยเค้าเรียกสังสารวัฏนะคุณรับรู้มาปุ๊บคุณปรุงแต่งต่ออันนี้ไปเกิดต่อไปรับ เออคุณรับรู้คุณจึงประงแต่งคุณประงแต่งคุณจึงไปรับรู้หรือในยะ 1 ผู้ชาวเคยบอกว่าที่เราไปประง ไอ้ความไม่รู้เนี่ยคืออวิชชาเราไม่รู้ว่าเราไม่ นะแม้รับรู้ต่างอุปาทานพวกนี้ไม่มีนั้นจิตก็จะ ให้เกิดขึ้นในใจว่าฉันไม่ต้องปรุงแต่งตามสิ่งนั้นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสมาธิ เราจะทําความรู้นี้ให้เกิดขึ้นได้ยังไงก็ไล่ไปอย่างเงี้ยท่านฟังนะเราเห็นตรงไหนเราปล่อยวาง a dit na, diran bon.